ชายคนขายสบู่ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออาเม็ดอาศัยอยู่ในเมืองเมสเซสที่งดงา ม, มเมสเซสเป็นเมืองที่สวยงามและมีโดบทองคำที่งดงามตั้งตระหง่านเป็นราศีให้กับอาณาจักรเศรษฐกิจและการค้าในเมืองเป็นอย่างดีมากผู้คนล้วนมีความสุขแต่กับไม่ใช่อามดเพราะธุรกิจขายสบู่ของพ่อเขาแทบจะอยู่ไม่ได้ โอ้พี่ชายซื้อสบู่สักก้อนไหมไม่มีสบู่ที่ไหนในเมืองนี้สะอาดและหอมเท่านี้แล้วแต่ผู้คนในเปอร์เซียไม่ได้ใช้สบู่ในการอาบน้ำหรือทำความสะอาดเสื้อผ้าพวกเขาใช้ทรายในการทำทุกอย่างแม้กระทั่งทำความสะอาดหม้อและกระทะเมื่อเป็นเช่นนี้หลายวันอาเม็ดและพ่อของเขาก็ขายสบู่ไม่ได้เลยจนพวกเขาไม่มีเงินพอจะซื้ออาหารหลายวันผ่านไป อาเมตคิดว่าธุรกิจขายสบู่ของพ่อน่าจะล้มเหลวเขาจึงพยายามลองทำสิ่งอื่นดูพ่อครับสบู่ของเราขายไม่ได้เลยผมว่าจะไปที่ตลาดและลองมองหางานอย่างอื่นทำแทนที่ตลาดอาเมตทำงานทุกอย่างอย่างหนักทั้งขนและรับจ้างเป็นคนเฝ้าร้านค้าเพื่อรับข้าวและอาหารพร้อมผลไม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำกลับบ้านมาเพื่อกินกับพ่อของเขาอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่อาเมตกําลังเดินทางผ่านป่าเพื่อไปยังตลาดแดดนั้นร้อนมากเขาจึงหยุดพักที่ทะเลสาบเพื่อดื่มน้ำมีผู้หญิงบางคนกําลังตักน้ำใส่เหยือกและอีกส่วนก็ซักผ้าทันใดนั้นอาเมตก็เห็นขบวนของขุนนางเดินผ่านมาขบวนเสด็จหยุดลงตรงข้ามกับอาเมตเขามองไปที่เสลียง และพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอคือเจ้าหญิงรอกษนาฉันหิวน้ำมากเลยน่ะขอฉันดื่มน้ำได้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเธอพร้อมกับเหยือกน้ำในตอนที่เธอกำลังจะมอบเหยือกน้ำให้นั้นสิงโตก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้และคำรามเสียงดังเมื่อผู้คนวิ่งหนี สิงโตรีบจ้องมาที่เจ้าหญิงและกระโดดตะคุบเธอลงกับพื้ น, นเมื่อเห็นเจ้าหญิงตกอยู่ในอันตรายอาเม็ด ร, รีบหยิบไม้ติดไฟที่วางอยู่ใกล้ๆพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาที่สิงโตอาเม็ดเหวี่ยงไม้ที่ติดไฟด้วยแรงทั้งหมดที่เขามีทำให้สิงโตรีบวิ่งหนีไปอาเม็ดยิ้มออกมาแล้วหันไปทางเจ้าหญิงรักษนา ที่กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวเขามอบน้ำให้กับเธอทันทีขอบคุณนะคะคุณกล้าหาญมากเลยคุณช่วยชีวิตฉันไวเออเออ้เจ้าหญิงร็อกซาน่าพวกเราเรียบไปกันเถอะเจ้าหญิงร็อกซาน่าพยักหน้าและยิ้มให้กับอาเมตแล้วกลับเข้าไปในเสลียง เ, ออเธอช่างงดงามยิ่งนักวันต่อมา ในตอนที่อาเมตอยู่ที่ตลาดมีพ่อค้าเร่ขายของคนหนึ่งมาหาเขาไอ้นมนายทำงานหนักแบบนี้แล้วมีพอกินพอใช้ไหมล่ะเอ่อไม่เท่าไรหรอกครับแต่อย่างน้อยผมก็มีพ่อและพอมีอาหารกินแล้วทำไมไนายไม่ลองไปที่เมืองหลวงล่ะที่นั่นเศษรษฐกิจดีนะคนดูแบบนายน่าจะหางานได้สบายสบายอยู่แล้วอาเมดคิดนิดหน่อยและพูดขึ้น ถ้างั้นผมจะลองดูนะครับในวันพรุ่งนี้ผมกับพ่อจะเดินทางไปที่เมืองหลวงกันพ่อขารเรอวยพรให้เขาโชคดีและจากไปดังนั้นในวันต่อมาอาเมตและพ่อของเขาจึงเริ่มออกเดินทางพวกเขาเดินทางในตอนกลางคืนและพักในตอนกลางวันเพราะแดดที่ร้อนจ้าพวกเขาทั้งสองปีนเขาไปยังเส้นทางที่คดเคี้ยว และเดินลัดเลาะผ่านทะเลทรายปัดวันหนึ่งขณะที่พ่อของอาเม็ดกําลังหลับอยู่ใต้ต้นมาอาเม็ดได้ยินเสียงบางอย่างกําลังคร่ําครวญเขาได้ทิ้งพ่อของเขาที่กําลังหลับอยู่และได้เดินตามเสียงนั้นไปไม่นานเขาก็พบกับชายคนหนึ่งกําลังนอนอยู่บนทะเลทรายมีชุดคลุมตั้งแต่ไหล่ลงมา ข้างๆเขามีไม้เท้าขนาดใหญ่ที่มีหัวเป็นนกอินทรีเห็นแกประโยชน์ของเทวดาขอให้ฉันดื่มน้ำเถอะอเมด ร, รีบให้เหยือกน้ำกับเขาทันทีแม้ว่าน้ำจะเค็มสักหน่อยนักท่องเที่ยวในทะเลสาบรีบดื่มน้ำลงไปทันทีอขอบคุณมากเจ้านม ฉันคือผู้เท่าแห่งทะเลทรายเป็นบุญคุณมากนะที่เจ้าช่วยไว้เอาแก้วคริสตาวนี่ไปสิทุกๆเชา้ายอดน้ำสะอาดลงในแก้วนี้แลมองลงไปในนั้นถ้าหากว่ามีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเจ้าหรือว่าคนที่เจ้ารักมันจะช่วยให้ แคล้วคลาดและปลอดภัยจากทุกอย่างท <Yeah. S 1> ันใดนั้นเอกสายลมที่เย็นฉับได้พัดผ่านไปยังผู้เท่าแห่งทะเลสาบและร่างกายก็เปลี่ยนเป็นกลีบกุหลาบปลิวไปกับสายลมอาเมด์ราวกับต้องมวลสะกดโว้ <Wow. S 1> เขากลับมาหาพ่อและเล่าทุกอย่างให้พ่อเขาฟังจากนั้นในตอนเช้า อาเมตทำตามที่นักท่องเที่ยวในทะเลทรายบอกเขาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหลายวันผ่านไปตอนนี้อาเมดและพ่อของเขาเดินทางอีกแค่สามวันก็ถึงเมืองหลวงแต่ทันใดนั้นสิงโตได้เข้าโจมตีพวกเขามันเป็นตัวเดียวกับที่เข า, าเผชิญหน้าด้วยมันพุ่งไปทางอาเมดทันทีช่วยด้วยช่วยลูกชายของข้าด้วยทันใดนั้นมีหญิงสาวที่งดงามปรากฏตัวขึ้น ถ้ถือคบเพลิงและนั่นคือเจ้าหญิงร็อกซาน่าท<ะ>่าเวียงคบเพลิงไปใกล้ๆกับสิกโตและมันก็รีบหนีไปทันทีเจ้าหญิงนั่นคุณใช่ไหมนั่นเอ่อทาให้พวกเราได้เจอกันอีกแล้วสินะเอ่อขอบคุณมากนะว่าแต่เจ้าหญิงมาทําอะไรที่นี่เหรอเจ้าหญิงร็อกซาน่าชี้ไปที่ขบวนเสด็จพ่อของฉันเอ่อราชาและก็ฉัน กำลังกลับมาจากการเดินทางสแสวงบุญแต่ว่าฉันได้ยินเสียงคนร้องก่อนว่าแต่นายจะไปไหนนะ่ะไปเมืองหลวงครับพวกเรานะ่ะกำลังจะไปที่เมืองหลวงเช่นกันนายมากับพวกเราก็ได้ขอบคุณมากครับดังนั้นอาเมดและพ่อของเขาจึงร่วมเดินทางกับขบวนเสด็จในไม่ช้าพวกเขาก็ถึงเมืองหลวงเมื่อเห็นสภาพของพ่ออาเมดเจ้าหญิงจึงแนะนาให้เขาพักอยู่ในห้องรับแขกสักอาทิตย์หนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มหางานใหม่ในเมืองใหม่ราชาก็เห็นด้วยเช่นกันใช่แล้วพักที่ห้องรับแขกก่อนเธอจนกว่านายจะหางานได้อาเมตตอบตกลงอย่างมีความสุขที่เขามีเวลามากพอจะหางานดีๆแต่หลังจากที่เขาปลอดภัยจากสิงโตมาได้ <c oughs> เขาก็หยดน้ำลงในแก้วคริสตลัลแล้วก็มองมันไปในนั้นทุกๆวันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนในวันที่เจ็ด เขามองลงไปในน้าและพบกับลางบอกเหตุว่านในตอนที่ราชากําลังหลับอยู่จะมีใครบางคนถือมีดและกําลังจะฟันไปที่ราชาเขาจึงรีบไปพบราชาในทันทีฟ้าบาทท่านกําลังตกอยู่ในอันตรายมีใครบางคนกําลังจะฆ่าท่านท่านต้องระวังตัวเอาไว้อาเมธองคราชของข้ารักษาการเป็นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอก อย่่่าางททีนพูดาาบาดพูดเช่นนั้นอาเมดจึงออกมาจากห้องแต่เขาก็ยังคิดว่าใครกันนะที่ต้องการค่าราัฐห่างจากเมืองหลวงไปเล็กนอก้อยสิงโตได้เปลี่ยนร่างเป็นชายที่ดูชั่วร้ายเขาคือผู้เท่าแห่งคุณเขาและไม่เหมือนกับผู้เท่าแห่งทะเลทรายเลยสักนิดเขาชั่วร้ายมากเขาต้องการฆ่าราชาและเจ้าหญิงเพื่อจะได้ยึดครองเมืองหลวงซะ และเขาต้องการฆ่าอารเมดอีกด้วยเพราะเขาช่วยเหลือเจ้าหญิงร็อกซานาไว้เออ น, นี่แหละจะเป็นคืนสุดท้ายของแกเจ้าราชาขณะเดียวกันอารเมดก็จับตาดูไม่ให้ค่าสตาบเมื่อความมืดมาเยือนทั่วทั้งราชวังเงียบสงัดองคลักษ์ก็หลับสนิทแต่ไม่ใช่กับอาเมดเขายังคงรออยู่และเห็นเงามืดที่คลืบคลานเขามายัางในส่วนของพระราชวังที่ราชาหลับ รูปร่างที่ไร้ซึ่งเสียงเคลื่อนไหวมาถึงห้องของราชาอาเม็ดวิ่งมากระแทกเข้ากับมันและร้องตะโกนขึ้นอย่างสูงเสียงเราถูกโจมตีมีการโจมตีราชาถูกโจมตีนี่ทําให้ราชาและองค์คกร์กตื่นขึ้นมาพวกเขารีบวิ่งมาพร้อมกับเจ้าหญิงล็อกซาน่าในทันทีแต่ทันใด น, นั้นเองผู้เท่าแห่งขุนเขาก็ได้แปลงร่างเป็นสิงโต แกนี่มันมารผจนฉันจริงๆไอ้นมฉันจะจัดการกับราชาทีหลังแต่ตอนนี้ขอจัดการกับแกก่อนก็แล้วกันสิงโ ต, โตกระโจนไปที่อาร์เมดแต่ทันใดนั้นแก้วคริสตัลก็ได้หล่นลงจากกระเป๋ามีนกอินทรีทะเลทรายตัวใหญ่ออกมาโ อ, โอ้ไม่นะผู้เท่าแห่งทะเลทรายไม่ ในขณะนั้นเองร่างกายสิงโตถูกเปลดเป็นฝุ่นและลอยออกจากหน้าต่างไปราชาและเจ้าหญิงพร้อมกับอง ค, ครักษ์มองดูอย่างหวาดกลัวอินซีทะเลทรายหันมายิ้มให้กับอาเม็ดและหายตัวไปในอากาศทันทีหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงราชาหันไปทางอาเม็ดและพูดว่าเจ้ากล้าหาญมากอาเม็ด ข้าขอประกาศตั้งแต่วันนี้เลยว่าเจ้าคือรัฐมนตรีของอาณาจักรแห่งนี้อาเม็ดมีความสุขมากเขาโค้งคำนับต่อหน้าราชาขอพระทัยฟาบาทและดังนั้นอาเม็ดจึงกลายเป็นรัฐมนตรีของอาณาจักรอาเม็ดและพ่อของเขาไม่เคยขาดแคลนอาหารและอยู่อย่างมีความสุขเจ้าหญิงรักษณะดีใจมาก เพราะเธอแอบหลงรักอาเมดและความคิดที่เขาไม่ต้องออกจากวังไปทำให้เธอมีความสุขมากทั้งสองเริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทำให้พวกเขานั้นต่างตกลุ่มรักกันเมื่อเจ้าหญิงร็อกซานาบอกความรู้สึกของเธอให้กับพ่อฟังเขามีความสุขมากโอโ้พ่อก็ชอบอาเม็ดเหมือนกันนะและพ่อมีความสุขมาก ถ้าได้เขามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่เขาต้องอยากแต่งงานกับลูกด้วยนะอาเม็ดถูกเรียกมาอย่างห้องราชสำนักอาเม็ดลูกสาวของข้าบอกว่าเธอรักนายและอยากใช้ชีวิตร่วมกับนายนายคิดว่าอย่างไงฟาบาดัตหม่อมชั้นก็รักนางเช่นกันเง้นก็ดีเลย เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับพ่อของนายเรื่องงานแต่งงานนะฮ่าฮ่จัดงานเลี้ยงฉลองได้เลยงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อาเมตและเจ้าหญิงรักษนาแต่งงานกันราชาและพ่อของอาเมตต่างก็มีความสุขการเดินทางของอาเมตสอนให้เรารู้ว่ามันไม่สำคัญว่าเราเป็นใครและทำอะไรแต่ความเมตตาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมอบให้กันได้